<Book> 44. ตัวชีต ร, ะ, ร, ระิระตัวชีตระปิร ะ, รระไปเที่ยวกลางคืนชิฮัมอุดจินรชิฮัมอุดจิน ร, นรที่นี่มีดิสโกเทกไหม มิชดิสคเตอคชะ ท, ที่นี่มีไนท์คลับไหมมิชชคลับชะ ช, ชคลับชอที่นี่มีผับไหมมิชบารชะบอ เยนีที่โงรงละครมีอะไรสุดาเนชัปเป้เทรมชิครร์ดนปเทรมชิรร์เยนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรสุดนชัปป้คินาเทตรมชิรร์ดนปเป้คินเทตร์มชิรร์ เย น, นีที่โทรทัศน์มีอะไรดูซึ่ะ да นั่าเปินทีวิซอมกอชต์รซึะนั่งาปทวซ่อมก็อชต์รยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมคะบิเลตเร์เทีแรมจิริชิอาบิเลตเร์เทีแรมจิริชิอา ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมคะบิเล็ตครคิโนมจิริชียบิเล็ตครัคิโนมจิริชียังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะบิเล็ตครฟุตบอลมจิริชีบิเล็ตครฟุตบอลมจิริชีชดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง ซอาอุจดดิโนซฟายซอาอุจดดิโนซฟายที่ฉันต้องการนั่งตรงกลางเซกุ้งกุิโนซฟายซก้ริโนซฟายที่ฉันต้องการนั่งข้างหน้า apdd s, <S, anyway. <S f apdd s f คุณช่วยแนะนำดีฉันหน่อยได้ไหม w s d yuq p l u n p l a i s h w s d yuq p l u n p l a i s h การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหมบแถวนี้มีสนามกอล์ฟไหมกมอลี กอล์ฟเยปมออบลาุมชะแถวนี้มีสนามเทนนิสไหมเทนนิสเยสอปะมออบลารุมชะเทนนิสเยอปมออบลาุมเชะแถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหมบูนกกดเยสปะมออบลารุมชิอะ วันก็ต์เยสเป้เมอร์โรบลารุมชีอ